บาตทำจะได้ยินคาว่าญาณ น, น, นั้นญาณ น, นี่ที่จริงญาณมันมีอยู่แล้วนีถ้าเคร่งไปเป็นฌานถ้าญาณลงมาก็ตรงเตีงก็พมดเลยเ้กูก็มีย่ไม่ไปคิดมากอะไรเนะาะญาณเราจะได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าสันชาติญาณ ญาณแปลว่ารู้สันแปลว่ารู้สัญชาติญาณก็แปลว่าความรู้ที่เกิดมาที่ได้มาพร้อมกับการเกิดความรู้ที่ได้มาพร้อมกับการเกิดญาณคือความรู้ในการเอาตัวรอดสัญชาติญาณในการเอาตัวรอดสัญชาติญาณในการสืบพันธ์สัญชาติญาณในการ หลับนอนพักพ่นสัญชาตญาณในการหนีภัยสัญชาตญาณในการกินอาหารเนี่ยเขาเรียกว่ายานแต่เรียกว่าสัญชาตญาณความรู้ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิดสัญชาตสัญสญสัญชาก็คือธรรมดาธรรมดาธรรมชาติได้มากับธรรมชาติของการเกิดพร้อม ชาติไปว่าเกิดความรู้ที่ได้มาอันนี้ไม่ลงทุนนะสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีเพลเพลอต้นไมยราบมีไหมมีนะต้นไม้ทัว่วไปก็มีเนี่ยเราเห็นตอนฤดูแรงผัดใบฤดูนั้นออกใบคือมันมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดมันโดยธรรมชาติวัวทางเหนือนี่ตัวเล็กถ้าไปทางอีสานตัวใหญ่วัวนะ อันเพาอิสานเนี่เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ทั้งเหนือตัวใหญ่ไม่ได้ขึ้นเขาลงขเขาตายพอดีวัวมันต้องตัวเล็กๆมันขึ้นลงเร็วนะชั้นๆมันก็ขึ้นได้วัวทั้งเหนื้อกินแมก้กระทั่งจีบอนพระตรงตา ม, มาอยู่ปีแรกๆปีสี่แปดไว้พระวิ่งเอาตรงตาวัวกินจีบอลเราถากไว้นี่นะตีทุ่งนาเนี่แต่ก่อนมันดมๆดมด ม, ด ม, มันคงไม่มี ไม่อยากพูดว่าไม่สักนะก็สักนะคงจะเป็นกิ่นผงสัฟอกแหละมันหอมหอ ม, มนึกเองไ่รู้นะผ้ารัด อ, อกกินสบู่กินหมดเลยสัญชาติยานในการเอาตัวรอดสัญชาติยานของมันนะมนุษย์มีสัตว์มีมีเสมอกันหมดแต่มนุษย์เนี่ยสามารถพัฒนาตัวยานนี่ให้เป็นปัญญาญานได้แต่สัตว์จะเหลืออยู่แค่นั้น ภาษาหลวงพ่อพุทธทาสใช้คำว่าโพธิกับกิเลสเด็ก น, น้อยเกิดมาเนี่ยมันมีแต่สันชาตยานมันยังไม่มีกิเลสเด็กยังไม่มีกิเลสนะเหมือนสัตว์เลยแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่มีโพธิคือมันไม่มีตัวรู้รู้ว่ากาลังคิดอะไรแต่วิถีชีวิตมันไปตามสัญชาตยานนั่นสันทัตยานบริสุทธิ์ จะฆ่าจะแกงมันไม่ได้เพราะมันเป็นสันชาตยานคือมันยังไม่มีปรุงแต่งน่ะเด็กเี่กมันยังไม่ปรุงแต่งสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้นไม้อะไรน่แต่เนี่ยก็เป็นด้วยสันชาตยานนั้นจึงไม่ผิดหมาหมากะหมูหมากะไก่มันกัดกันมันฆ่ากันงูเงี้ยวเขี้ยวคอกบเขียดมันกัดมันกินกันด้วยสันชาตยานของการเอาตัวรอดถามว่าบาปกรรมไหมไม่มี แทนที่เราต้องหลายเนี่ยจะพัฒนาตัวรู้คือสัาติยานก็เกิดจากรู้เหมือนกันไม่จากคำว่าไม่จากคำว่าวิญญาณท่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยผู้ดเดียวกันคือมันเกิดจากฐานเดียวกันเน่ะกิเลสก็เกิดจากอ น, นิธรรมะที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เกิดจากฐานตัวรู้นี่ที่แรกมันรู้ขึ้นมาก่อนแต่บางคนพัฒนาตัวรู้นี่ไปทางกิเลสตัณหา สัญชาตญาณมันลากไปท่านั้นแต่ถ้าพัฒนาสติที่จะเป็นปัญญายาณคือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรอย่าเรารู้ว่าเฮ้ย mm hmm. มันจะคิดท่านนี้มันจะไหลไปท่า น, น, นี่ตัวรู้เนะี่นี้จะมาเป็นทางปัญญายาณอันนี้งั้นเราก็สังเกต ด, ดูอา้าใจเราเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงเริ่มต้นมันเฉยเยนะเหมือนกันนะอย่าลืมนะทุกคนมีสัญชาตญาณ สันตยาสันชาติยานมันมีสองแบบสัญชาติยานที่เป็นทุกข์กับสันทีชาติยานที่มันเป็นโดยธรรมชาติเนี่ยใครมาทําอะไรมันดีดไปเองขาเนี่ยนะอะไรมาถูกมันไปเองสัญชาติการมันป้องกันตัวอันนี้มันมันมันเป็นธรรมชาติอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับทุกข์ปฏิบัติทําไม่ได้ล้างสัญชาติยานแบบนี้แต่สันชาติยานที่มันเกิดจากการปรุงแต่งที่เป็นอุปทานที่มันจะสร้างความเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ย มันเกิดความรักความจางความอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้สันชาตยานที่เราปลูกฝังอะเ น, นี่ยมันมาเติมมันเข้าเติมมันเข้าก็เป็นอุปาทานเนี่ยตัวนี้มันมายึดติดกับสันชาตยานนั้นนี่เราจะให้เหลือแบบสันชตัตยานที่มันเป็นธรรมญาธรรมชาติดนล้วนทุกอย่างก็เหมือนแบบสัตว์นั่นแหละมันไม่มีบาปมีกรรมตรงนั้นนะแต่ตัว น, นี้มันมีขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเรามาหลงเป็นโมหธรรม พอไม่รู้สึกตัวมาก ข, มาขึ้นมากขึ้นมันก็ไหลไปสู่สันชาตยาที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เลยกลายเป็นอวิชชานะทีนี้เราจะมาทำให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญาไหมมันถ้าจะพูดปัญญายานะเนี่ยเขาไม่มีปัญญาเห็นทุกมีน้อยมากนะคือมีอะไรเขาก็คิดได้นั้นมนุษย์จึงสร้างศีลธรรมขึ้นมาเป็นกรอบไงเป็นกรอบ ครอบคนเอาไว้ว่าอย่าทำมันเดื่อผิดศีลเนื่องนี่ผิดธรรมเนือเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้ตัวโพธิหรือตัวปัญญาญาณเนี่ยมันเกิดญาณปัญญานี่เกิดขึ้นมากมากมากขึ้นมากขึ้นคนฉลาดที่มาพัฒนาตัวปัญญาญาณนี่เลยญาณตัวนี้รู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความรู้รู้อารมณ์รู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นรู้รู้มากเข้ามาเข้าเกิดรู้แจ้งขึ้นทีนี้เนี่ยที่สุดของปัญญาญาณเขาเรียกว่าวิปัสนาญาณ วิปัสนาญาณหรือเป็นญาณทัศนะญาณทัศน์ความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งไม่ใช่ความรู้ตามสัญชาตญาณนะถ้าสัญญาตญาณก็ตามตามหูจมูกลิ้นใจกระทบผัสสะตามสัญชาตญาณอันนี้แต่ว่ามันไม่พอมันไม่แข็งพอกิเลสมันจึงดึงไปทางกิเลสไปปรุงแต่งซะนี้เราก็มาพัฒนาตัวญาณพัฒนาตัวรู้อันนี้ให้มันเขี้ยบแข็งมาเป็นฝากฝ่ายของ ปัญญายาณคือมนุษย์เนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่ไม่หยุดยั้งกับการพัฒนาจิตตัวเองพัฒนาชีวิตตัวเองไปสู่ความเป็นอภิมนุษยนะ์คือก็ถือว่าเป็นมันเป็นเรื่องธรรมชาติว่ามนุษย์เกิดมามันจะต้องได้สมบัติที่สูงสุดที่ควรจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติ มนุษย์สมบัติก็เรามีแล้วสวรรค์สมบัติก็อยู่สุขสบายก็พอมีแล้วนี่นิพพานสมบัติล่ะทีเนี้ยนิพพานสมบัติยังไม่มีมีใ น, ในใจว่งวางๆมีบ้างในน้อยเฉยๆมีบ้างมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราพยายามที่จะกลับมาอยู่กับตัวเฉยๆแต่ตัวเฉยๆนี่มันไม่มีพลังพอถ้ากิเลสที่เราชอบมากๆเนี่ยอย่างเรื่องนี้เราไม่อยากคิดมันก็ยังคิดเนี่ยเรารู้อะไรที่มันไม่ดีมันก็อดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า พลังแห่งสันทัตยานที่เป็นอุปทานเนี่ยมันสะสมมานานนานมากนานมากเข้ามาเข้ามาเข้าแล้วมันน้ำหนักมันไม่พอที่จะยานที่จะรู้ตัวเนี่ยมันไม่พอมันก็ใส่ไว้เหมือนหาบสองอันทางโน้นเป็นกิเลสเราใส่ทุกวันทุวันคิดทุกวันแต่ทานนี้เป็นสติที่จะเป็นปัญญารู้กิเลสรู้มันคิดแล้วนะมันปุงแต่งแล้วนะมันง่วงแล้วมันเหงาแล้วมันเบื่อมันไหนนะมันโกรธมันเกลียดนะ เราเติมน้อยแต่นี้ตัวรู้ทีนี้เรามาเติมตัวรู้นี่เยอะๆเยอะเข้าจนกทํางมาันมันหัวขดลงมาเลยมันหนักทันี้ปุ๊บไอตัวกิเลสก็ไม่มีหนักิดตูมมาทันทีมาอยู่ทางเดียวกันเดี๋ยวนี้มันจะเอาเราไปอยู่ทางมันนะู่นอ่ะนั้นคนฉลาดที่อยากไม่มีความทุกข์ในการอยู่ในโลกเนี่ยอ่าจึงไม่ได้หลงไปเอาพี่เอาน้องเอาพ่อเอาแม่เอาเพื่อนเอาฝูงอะไรมากมายนะ แต่อันดับหนึ่งคือรักตัวเองให้รักตัวเองมากๆอย่าไปรักคนอื่นต้องรักตัวเองรักตัวเองไม่ให้มันเป็นทุกข์เนี่ยแต่รักถ้าประกอบด้วยความรัก แบบโลกๆ ก, ก็เป็นทุกข์อีลาเพราะเป็นความรักความคิดความหวังความปรุงแต่งมันประกอบโวยลาฆะโทสะโมหะนะอันนี้รักตัวเองที่เกิดมาไม่ให้เป็นทุกข์แล้วอยากให้ถึงที่สุดของทุกข์ไม่ต้องมีเกิดมีเจ็บมีแก่มีตายอีกรักตัวเองรักแบบนั้นดังทมัวไปแบ่งความรักนี่ให้คนนั้นแบ่งความรักนี่ให้คนนี้อยู่เราก็จะไม่ใส่ใจตัวเองโอ๊ยไม่ได้หรอกหวังคนนั้น ไปไม่ได้ห่วงควนี้นียไม่ต้องไปรักใครไม่ต้องไปห่วงใครห่วงตัวเองนั่นแหละให้มากมากห่วงจิดห่วงใจห่วงปัญญาเราเนี่ยวั น, ว, นวันหนึ่งสะสมตัวรู้ให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเนี่ยอันหนึ่งเขาจะเขาว่าอะไระ่ะ สัญชาตญาณปัญญายาณบางทีเขาเรว่าวิญญาณบางทีเขาว่าวิญญาณถ้าพูดถึงวิญญาณ น, นี่คือความรู้ที่เกิดทางตาหูจมูกอันนี้มันเป็นความรู้แบบนี้ที่เกิดที่นี้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ปัญ ญ, ญายาณปัญ ญ, ญายาณนี่จะหมายถึงสติตัวสติที่มันไปรู้ว่ามันคิดมันไม่คิดน่ยมันจะไปตัวนั้นนะแตส่สัญชาตญาณก็คือความรู้แบบเอาตัวรอดคือมันมีระดับของมันนะ่ะชีวิตเนี่ย มีโยมคนหนึ่งปฏิบัติธรรมล่กันนี่แหละเขาจะตื่นดึกมากแต่ละวันตีหนึ่งเขาตื่นแล้วหลวงผู้ชายตีหนึ่งตื่นแล้วทุกวันเวลาตื่นแต่ดึกๆตีหนึ่งีอะไรลงตาจะเดินไปดูทั้งโน้นท่านี้อ้าวเดือจุกลมแล้วคนหนึ่งเดินดูว่ากเลยบอกว่าอาจารย์มาบอว่าให้นอนปกติทีสามลุก อสองวันสามวันลุกมาเดินลุกมาเดินตืนแต่ตีหนึ่งมันก็จะง่วงคือถามว่าทำไมลุกมันมีเสียงมักสิบบอกให้ลุกทุกวันเลยตื่นได้แล้วทำความเพียรเนี่ยถ้าตื่นมาไม่ลุกมันก็จะมีเสียงอยู่อย่างนั้นแหละ วันนี้เลยไปถามโดทํำไงนอนไหมนอนมันมาไหมมาแล้วว่ายัางไงวันนี่มันบอกว่าไม่อยากบรรลุเลยก็เลยพูดไปว่าลุงตาบอกว่าไม่ให้ลุกลุงตาบอกว่าไม่เห็ลุกฮะ ไ, ไม่อยากรู้แจ้งนะแน่นะไปเถอะจะนอนแล้วนน น, นอนแต่มันก็สดใสพอมันตื่นขึ้นมันจะมีอันนี้ มนมนมันกลับมาถามว่าไม่อยากปลุหรออย่นีไอ้ที่ไม่ลุกเนี่ยนะวันก่อนมันยังบอกว่าลุกเดินเก้วกมธรรมดานะแล้วก็ลุกไปเลยนะทีนี้กไมลุกหลวงตาบอกว่าไม่ลุกมันเลยถามว่าไม่อยากบรลุหรืะมันก็เลยเสียดายพหลวงตาถูเลื อ, อเสียงนี่ถูกแต่กูก็เชื่อหลวงตาเพราะกูก็จะเอานอนอีกนี่นะ่นยังชอบเนี่นยเห็นไห บางคนเขาก็มีเนยเรื่องมีพลายกระซิบแล้วพลายกระซิบจิตใจมันต่างกันคนมันต้องเกิดจากการศรัท ธ, ธามากๆแล้วเอาจริงมากๆอันเนี้ยปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าหาเหตุผลอะไรทั้งนั้นถ้าหาเหตุผลแล้วบรรุช้าเหมือนพระสารีบุตรนะ ภาษาลิบุนมีเหตุผลมากปฏิบัติทำสิบห้าวันจึงบรรลุอลหรหันต์โมแต่ฟุ้งซ่านอยู่พระโมคาลาไม่ค่อยฟุ้งซ่านเท่าไหร่เพราะเป็นนักเลงเก่าเวลาเดินจ่กรมเดินเลยง่วงมาเดินง่วงมาเดินเนี่ยในหนังสือนี่ง่วงมาถึงวันที่หเนี่ย ยังง่วงอยู่เลยนี่หลังจากเห็นความคิดเห็นอารมณ์บ้างแล้วนะเนี่ยหลังจากเป็นพระโสดาบันแล้วนะนั่งปฏิบัติธรรมก็ยังง่วงอยู่โมกขลาเนี่ยนพระพุทธเจ้าได้ไปบอกให้เฮ้ย e มาง่วงพิลึกพิลืๆๆๆๆๆดเถิดนี่เสื่อมงาบกินมากตื่นขึ้นมาเหมือนพวกเรา น, น, ไ, นไม่รู้ มีพระโอหนึ่งมันเงียๆท่าน ก, นก็เลยมุดๆเข้าไปในเต็นต์ลงตาไปจับดึงคางออกมาเข้าไปเป็นหลับต่อไม่ไปจับคางนะตกใจกําลังจะได้เวลานะเพราะพวกอยู่ที่อยู่ใกล้น้ําตกเนี่ยมันไม่รู้หรอกลงตาไปก็ไม่รู้หรอกไม่รู้มายืนอยู่ตรงไหนเพราะอะไรเพระเสียงน้ําตกมันดังเสียงมันตกน้ําดังมันไม่รู้เมื่ยหลวงปู่สั่งว่าแล้วอุ้ย <c oughs> ตอนขยันก็ไม่มาดู มาดูแต่ทอนหลับนี่แหละมาที่ไหนหลับทุกทีว่าไม่ได้เรื่องนะนิสัยไม่ดีโอ้ก็ไม่มาตอนเดือนเนาะแค่ว่าตอนนั่งหลับแล้วมาแค่วะนะ่าเม่เห็นแต่ตอนผมหล้วมันก็หลับตลอดแล้วแว่าไม่ได้เจตนาท่านว่านะเนี่ยครับพระพุทธเจ้าอย่ไปเล่นกับมาในความว ง, ง่วงเดินม่ไม่ใส่เล ย, ยต้องคิดท่านเดินไปเดินไปวันที่แปดบรรลุอรหันต์ สู้ความง่วงหลุดออกไปกับพวะเลยเนี่ยรู้แจ้งขึ้นมาเลยเนี่ยแค่สู้กับความง่วงนะนั่นไม่ต้องมีปัญญามากถ้ามีปัญญามากแบบภาษารบุตรน่ะสิบ้าวันพระโมกขลานี่แปดวันยิ่งโง่ๆอย่างพวกเรานี่มันน่าจะนเจ็ดวันก็น่าจะปิ้งนะวันนี้วันพรุ่งนี้แม้ถึงแปดวันนะหรือว่าพวกเรามีปัญญามาก มากกว่าภาษาลิบุตรนี่เนาะขอให้ภูมิใจเถอถ้ามันไม่บรรลุธรรมภายในเจ็ดวันแปดวันเนี่โอ๊ยกูมีปัญญามากกว่าภาษาริบุตรนะเนี่ยเอ๋อก็พิจารณาไปมันไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่เป็นทําให้เป็นทุกข์นะชีวิตเนี่ยยิ้มได้ตลอดเวลาเนี่ยพระพุทธเจ้ามาดูนี่มาแอบดูพระโมคคะลายันั่งหลับอยู่เลยนี่ท่านเลยบอกกุบายให้นี่ไปเกยง่วงเด้อเนี่ย เหมือนเราเลยมนุษย์ธรรมดาเนี่ยสมัยนั้นก็ห่วงก็แก้เมื่อเราเนี่ยยังห่วงขณะทําอะไรนึกห่วงจําอะไรได้นึกถึงอันนั้นเอาเอามาคิดอธิทฐานเท่ไว้นี่เนี่ยเอาไปคิดทามันหะ่วงเอาทธิเทศเนี่ ย, ยไปคิดถ้ายังไม่หายให้พิจารณารรมพิจารณาอีกไม่ใช่คิดธรรมดาไม่ใช่นึกธรรมดาคิดอีกพิจารณาทบทวนไปมันก็จะหายง่วงถ้ามันยังไม่หายง่วงละท่องบนเนา่านะ ท่องจำอะไรได้ก็ท่องอันนั้นจำอะไรก็ท่องอันนั้นถ้ายังไม่หายง่วงนะให้ใช้จอบแย่เข้าไปในรูหู <S <S 1> <S 1> เอา้าวธรรมดาม่ใช่ยากเนาะให้ใช้อะไรก็ได้ย้อนเข้าไปในรูหูสักครู่ความง่วงก็จะหายหักเอาไม้หักอะไรก็ได้ยัดเข้าไปในหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็จะหายมันกลัวเจ็บมันต้องระมัดระวังหน้าหูเนี่ยอันนี้เป็นมาจากบาลีนะ พระพเจ้ยังจะไม่หายนะให้เอาหัวไปล้างหน้าในน้ำตกล้างหน้าล้างตาเนี่ลุงอะไรเนี่ยดนจุกมวันนี้ก็หลับตอนเช้าเนาะหลวงตามองไปเห็นหลับ <c oughs> เขาฉลาดเน้ยเอาผ้าปกทั้งหมดนะหลับหลับน้อยเดียวเนาะน้อยเดียวหลวงตาเห็นหลับนอยนตอนเช้าๆนั่นแหละ ถ้ามันยังไม่หายให้เอาน้ำล้างหน้ล า, าล้าตาแล้วก็มองดูไกลๆมองดูที่ทั้งสีมองไกลๆมองดูฟ้าดูอะไรเนี่ยถ้ายังไม่หายนะนึกถึงความสว่างให้ใจว่ามันสว่างบอกตัวเองว่าเอ้ยบักปอบเอ้ยสว่างแล้วนอนหาสว่างนี่มาก็ด่าตัวเองบ้างเนี่ยคือเขาบอกว่าให้ด่าตัวเองบอกตัวเองกินม่วงนอนกินนอนแม่ไปถึงไหนนอนมาหลายปีแล้วนี่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นถ้าดอ ด, ด่าตัวเองมันจะดีขึ้น หรือถ้ามันไม่อะไรก็เปยใกล้ๆด่าให้ผมหน่อยถ้าถ้าคนอื่นด่าให้เนี่ยระวังเด้อนะมันจะสดขึ้นขึ้นมาแต่ที่แต่ว่าไม่ได้ผิดกันนะ่ะนั่นต้องด่าตัวเองบอกตัวเองสอนตัวเองมันสว่างแล้วถ้ามันไม่อยากให้คนด่านะที่วัดนี่ไม่ใช่นะที่ไหนอะที่ลาพูนหรือที่ไหนเมื่อกี้นี่นะ่ะปฏิบัติครับเขาจะไปเดินอยู่ใกล้ๆคน ที่ขยันคนไหนขยันเขาจะไปอยู่ใกล้ๆคนนี้ขยันเขาไปเดินอยู่ใกล้ ๆ, ลๆเขาไม่ให้รบกวนเขานะคือให้มันอายคนเนี้ยเพราะเขาทําได้เนี่ยไปขอบา ร, รมีกับเขาอะนะถ้าเรายิ่งโง่ยิ่งไปหายอยู่ใกล้ๆจะแยะ่เพราะกิเลสมันก็จะบอกขยับมาอีกเข้าตรงพุ่มไม้นี้ไปเข้าห้องน้ำก็ได้ล้างหน้าล้างตาพิงโอ่งหลับก็ได้ สักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวคนไปเห็นเฮ้ยสักผ้าดีกว่าเนี่ยมันจะลุกลาไปซักผ้าซักโน้นซันี่เฮ้ยหน้าห้องน้าก็ไม่สะอาดหาไม่กว่าดไม่กวาดีกว่ากวาดไก็มามืดพอดีหมดเวลาเห็นไหมมันก็จะหลอกไู่อย่างนี้เนี่แต่ยังไม่หายนะนบอกว่าเดินจงกรมกระเทือดเท้าแรงๆวัยวัเอาจนเกิดไส้เลื่อนหรือมดลูกหย่อนดูที่มันจะกล้าง่วงไหมล่ะ บางคนเขาก็เดือนจงกรมแบบฮิปฮอปนะนะพอได้อยู่ทำเป็นไหมจงกรมฮิปฮอปไม่เป็นนะ <c oughs> ทาดูถ้ายังไม่หายจริงๆก็ให้นอนนอนเลย <c oughs> นอนแต่นอนสีหสัสายะนอนแบบนี้นะเอาหัวตั้งไปดิคือพอมันหลับแล้วมันจะหลุดลงเนี่ยพอมันปุ๊บหลบไปก็ขึ้นมาไปเลยโบรานแต่ก่อนื่อตาเขาไปฝึกเขาจะให้นอนถ้ามันง่วงเ ข, เขาให้นอนแต่ให้นอนหนุนมะพร้าวห้าว มะพร้าวหา้ามมันก็ลื่นยังอะไรดีเนาะเนี่ยวางนี่พอมันหลับมันคุบมครับเรไปหัวฟ้าดเสพื้นก็นลุกขึ้นเอาหัวละแขนนี้ไปแต่ถ้านอนหงายเลยเนี่ยมันไม่ได้มะพร้าวก็มะพร้าวเถอะพอลงไปเอาอีกอยู่เนีน่ะอันนี้มันจะไม่มีสมณสัญญาว่าจะลุกขึ้นถ้าคุ้มวุบลงแล้วคุจะลุกขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ า, า, น, วานอนแบบสีหาสายญาติงอนตะแคงมีความคิดว่าจะไม่สวยหาความสุขจากการนอนไม่ใช่เอาจนอิ่มมันไม่ไหวแล้วเนี่ยนอนเนี่ย แต่ไม่ได้นอนในความหมายแบบเรานะ้นนอนแบบจะลุกขึ้นอยู่เสมอเนี่ยเหมือนเรานาได้นั่งหลับในเก้าอี้สักนอยหนึ่งเนาะนะรู้สึกมันอิ่มนะใช่ไหมพอนะสักสองนาทีหรือหนึ่งนาทีเนี่ยแวบบเดียวเท่านั้นเองนี่คือคนมีสมาธินอนมีสมนันริสัญญาว่าจะลุกขึ้นมันจะเป็นอย่างนั้น